รวมวักที่มีในปาจิตติกัน 1. ละสุนวักสองรัตตันธการวักสานหานวักสีตุวัตตะวักห้จิตตาคารวักห 6. อารามวักค 7. คับพินีวักแปกุมารีภูตะวัก 9. ฉชัตตุปาหะนวัต